บทที่สองในสังยุตตนิกายพระวังขสูตรมีข้อความว่าดูกราภิสูตทั้งหลายอวิชชาเป็นชไหนคือความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในเหตุเกิดของทุกความไม่รู้ในความดับความไม่รู้ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับทุกความไม่รู้นี้ได้ชื่อว่าอวิชชา อวิชามีสองประการโดยการไม่รู้จริงและการรู้ผิดดูกระอาวุโสแต่เราย่อมบัญญัติโลกเหตุเกิดของโลกความดับของโลกและปฏิปทาให้ถึงความดับของโลกในอัตภาพอันมีประมาณวานหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นดูกระภิกสุทั้งหลาย อริยสัตว์คือทุกเป็นชไหนได้แก่ความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์ยากความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นทุกการพบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบเป็นทุกการพลัดพรากจากอารมณ์ที่ชอบเป็นทุกและการไม่ได้รับอารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุก โดยสังเขปอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ดูการะกพิสุพิสุในศาสนานี้ย่อมตามคิดตรึกตรองทำตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเธอย่อมทำวันคืนให้ล่วงไปด้วยความตรึกในธรรมนั้นย่อมทอดทิ้งที่เงียบสงัดไม่ตามประกอบความสงบแห่งจิตภายในตนดูการะกพิสุ ภิกษุนี้ชื่อว่ามีความตรึกมากหาใช่ผู้ประพฤติทธำธรรไม่พวกเธอจงอย่างรู้กายนี้จงกำหนดรู้อยู่เสมอเมื่อรู้เห็นสภาวะในกายแล้วจักระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ปัญญาที่รู้เห็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดขึ้นคล้อยตามปัญญารู้เห็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นก่อน เพราะผู้ที่รู้เห็นความไม่เที่ยงแล้วย่อมเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นเป็นทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาพอใจเนื่องด้วยยังมีความเกิดดับอยู่และเข้าใจว่าไม่อยู่ในอำนาจของตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้ดังข้อความในอังคุตรนิกายอธิคตถาของอังคุตรนิกายว่าดูกราภิสุธ์ทั้งหลาย ความสำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สำคัญว่าไม่เที่ยงผู้สำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมถึงความเพิกถอนอสมิมาณะและบรรลุนิพพานในปัจจุบันพบเมื่อบุคคลรู้เห็นอนิจจลักษณะก็เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะโดยแท้จริงแล้วเมื่อบุคคลรู้เห็นลักษณะหนึ่งในลักษณะสามเหล่านี้ ก็เป็นอันรู้เห็นลักษณะอื่นได้สมาธิที่อบรมด้วยศีลมีผลมากมีอนิสงฆ์มากปัญญาที่อบรมด้วยสมาธิมีผลมากมีอนิสงฆ์มากจิตที่อบรมด้วยปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอสวะโดยชอบคือกามาสุวะภวสุวะและอวิชชาสวะดูกรักพิสุทั้งหลาย อริยสัจคือเหตุเกิดของทุกเป็นชะไนได้แก่ความผูกพันที่ก่อให้เกิดพบใหม่ประกอบด้วยความยินดีพอใจอันเพลิดเพลินพบและอารมณ์นั้นๆกล่าวคือความพอใจในกรมคุณความพอใจโดยเห็นผิดว่าพบเที่ยงและความพอใจโดยเห็นผิดว่าพบขาดศูนดูกระรพิสูจน์ทั้งหลาย อริยสัตว์คือความดับทุกข์เป็นไฉนัได้แก่ความดับสนิทโดยสิ้นเชิงความสละความปล่อยความหลุดพ้นและความไม่พัวพันในตัณหานั้นดูกราพิสุทั้งหลายอริยสัตว์คือทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เป็นไฉน ได้แก่อริยมรตมีองค์แปดนี้นั่นเองกล่าวคือความเห็นชอบความดำริชอบการกล่าวชอบการกระทาชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งมั่นชอบโดยแท้จริงแล้วมรตคือสติปัฏฐานฝ่ายโลกิยะในส่วนเบื้องต้น นี้เมื่อบุคคลอบรมแล้วย่อมดำเนินไปเพื่อบรร ล, ลุมรกคฝ่ายโลกุตระอริยมร์คมีองค์แปดที่เป็นโลกุตระนี้พร้อมทั้งโลกิยะมร์คคือวิปัสสนาย่อมถึงการนับว่าเป็นทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์คุณธรรมคือหลักธรรมที่ทำให้เป็นคนดีในสังคมหมายถึงการรักษาศีลและการเจริญภาวนา ส่วนจริยธรรมคือหลักธรรมที่ควรประพฤติเพื่อสังคมหมายถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นด้วยการช่วยเหลือการให้ทานจะเห็นได้ว่าจริยวัดของพระพุทธเจ้ามีสมประการคือโลกัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโลกยาอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อญาติ พุท ธ, ธะจริยาการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าดูกรักพิสุท์ทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วทำกรรมทางกายวาจาและใจอันหนึ่งในคำว่าบุญอย่างนี้คำว่าบุญคือสภาวะชำระผู้ทำของตนให้หมดจดเมื่อมาถึงกิยาทิคณะ ก็ควรกล่าวว่าปุญณาติติปุญยังสภาวะชำระชื่อว่าบุญส่วนคำพีดีกาของวิสุทธิ์ที่มักแสดงรูปวิเคราะห์ว่าในเรื่องนั้นบุญคือสภาวะชำระกระแสของตนให้หมดจดจากผลบาปทุกข์และความเร่าร้อนอีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมทำบุญโดยมุ่งหวังประโยชน์สุข ดังนั้นบุญจึงยังอัธยาศัยของผู้ทำให้เต็มด้วยการให้สำเร็จประโยชน์สุขนั้นหรือย่อมยังความเป็นผู้ควรบูชาให้เกิดขึ้นจึงชื่อว่าบุญโดยประการดังนี้พึงทราบสภาวะที่ยังอัธยาศัยของผู้ทำให้เต็มและสภาวะที่ยังความเป็นผู้ควรบูชาให้เกิดขึ้น ชื่อว่าบุญโดยเนยรุตินัยคำว่าอภิสังขารมีรูปวิเคราะห์ในคำพีวิสุทธิมัคมหาดีกาเล่มสองหน้าที่สองหว่าอัตโนพลังอภิสังคารโรตีติอภิสังขาโ ร, ภ ส, าโรสภาวะปรุงแต่งผลของตน ้ายกมีใจยินดีก่อนให้เมื่อกำลังให้ก็ทำใจให้เลื่อมใสครั้นให้แล้วก็มีใจเบิกบานการมีใจยินดีก่อนให้เป็นต้นนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งทานจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาประกอบกับปัญญาไม่มีสังขารดวงหนึ่ง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 หรือพะเผาธรรมที่เป็นค่าศึกคื อ, น, อนิวรกุศลจิตที่ประกอบปฐมฌานเกิดร่วมกับวิโตกวิจารปีติสุขและเอกะคคตาดวงหนึ่งกุศลจิตที่ประกอบกับทุติยฌานเกิดร่วมกับวิจารปีติสุขและเอกคคตาดวงหนึ่งกุศลจิตที่ประกอบกับตติยฌานเกิดร่วมกับปีติสุขและ เอกัคตาดวงหนึ่งกุศลจิตที่ประกอบกับจตุตถฌานเกิดร่วมกับสุขและเอกัคตาดวงหนึ่งกุศลจิตที่ประกอบกับปัญจมาชฌานเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาและเอกัคตาดวงหนึ่งจิตห้าดวงนี้ชื่อว่ารูปาวจรกุศลจิต อกุสละ จ, จิตมีสิบสองดวงคือโลภะมูลจิต8ดดวงโทสะโมูลจิตสองดวงและโมหะมูลจิตสองดวงจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาประกอบกับทิฏฐิไม่มีสังขารดวงหนึ่งจิตที่ร่วมกับโสมนัสเวทนาประกอบกับทิฏฐิมีสังขารดวงหนึ่งจิตที่ร่วมกับโสมนัสเวทนา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 ประกอบกับปฏิฆะไม่มีสังขารดวงหนึ่งจิตที่เกิดร่วมกับโทมันัตเวทนาประกอบกับปฏิฆะไม่มีสังขารดวงหนึ่งจิตทั้งสองดวงนี้ชื่อว่าจิตที่เกิดร่วมกับปฏิฆะจิตที่เกิดร่วมกับอุเบขาเวทนาประกอบกับวิจิกิจชาดวงหนึ่งจิตที่เกิดร่วมกับอุเบขาเวทนาประกอบกับอุทจจะดวงหนึ่ง จิตทั้งสองดวงนี้ชื่อว่าจิตที่หลงยิ่งโมมูหจิตโมหะมูละจิตภิกษุรูปหนึ่งอยู่ประจำในวัดของข้าพเจ้ามริศยาระณีตระกูลผูกขาดในเรือนของข้าพเจ้ามีใจกระด้างมักด่าว่า ภิกษุอคันตุกะทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อคําของท่านได้ดาว่าภิกษุทั้งหลายเพราะผลกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงต้องจากโลกนี้ไปอย่างเปตตโลกข้าพเจ้ายือนอยู่บนกระหม่อมศรีรษะของเปรตซึ่งเคยเป็นภิกษุผู้ทํากรรมชั่วนั้นแหละและภิกษุนั้นไปเกิดเป็นเปรตผู้ปรนนิบัติของข้าพเจ้าเอง พระขุนเจ้าผู้เจริญชนลาวเอินถ่ายสิ่งใดลงไปสิ่งนั้นเป็นอาหารของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเองถ่ายสิ่งใดลงไปเปรซึ่งเคยเป็นภิกษุนั้นก็อาศัยสิ่งนั้นเลี้ยงชีพลักษณะแห่งบัณฑิตเครื่องหมายแห่งบัณฑิตความประพฤติไม่ขาดสายแห่งบัณฑิตมีสามประการเหล่านี้สประการเหล่านั้นอะไรบ้าง คือบัณฑิตในโลกนี้ชอบคิดแต่เรื่องดีชอบพูดแต่เรื่องดีชอบทําแต่กรรมดีเมื่อใดบุคคลบูชาพระไตรรัตน์ด้วยวัตถุเช่นนั้นแล้วเจริญความเสื่อมสิ้นไปโดยดำริว่าสีนี้จักถึงความเสื่อมสิ้นไปเมื่อนั้นย่อมเป็นภาวนาใหม่เมื่อเหล่าสัตว์ผู้เป็นมนุษย์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ ทำบุญซึ่งให้เกิดผลทานที่ให้แล้วแก่พระสงฆ์มีผลมากดูกระมหาบอพิษท่านที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากทานที่ให้ในผู้ทุศีลม่มีผลมากทานที่บุคคลเลือกให้พระสุคตทรงสารเสริญแล้วบุคคลเหล่าใดาควรแก่ทักษินามีอยู่ในโลกคือหมูสัต์นี้ ทานที่บุคคลเลือกให้แล้วแก่บุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากเหมือนเมล็ดพืชที่บุคคลหว่านลงในนาชั้นดีฉะนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายสรรพริสัทานมีหประการเหล่านี้หประการอะไรบ้างคือให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานโดยเคารพให้ทานตามการอันควรเป็นผู้มีจิตปล่อยวางให้ทาน ให้ฐานไม่กระทบตนและผู้อื่นนางวิสาขามิคารมาตากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าหม่อมฉันประสงค์จะถวายผ้าวัสิกะสาดกถวายอาคันตุกะพัดถวายขามิกพัสถวายกีลานัพัดถวายกีลานุปัฏฐาพัสถวายกีลานับเพศ ถวายยุวยาคูแก่พระสง์และถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีสง์จนตลอดชีวิตอีกอย่างหนึ่งอนาปานสติกรรมฐานนี้เป็นยอดในประเภทกรรมฐานเป็นเหตุใกล้แก่การบรรลุคุณพิเศษและการอยู่ในสุขในภพปัจจุบันของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งปวงพระโยคาวจรที่ไม่ละจากกระแวกบ้านอันอืออึงไปด้วยเสียงหญิงชายและช้างม้าเป็นต้นไม่เป็นการง่ายเลยที่จะเจริญอนาปานสติได้เพราะฌานมีเสียงเป็น่าสึกแต่เป็นการง่ายที่พระโยคาวจรกำหนดเอากามฐานนี้แล้วยังจะตุติฌาน อันมีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วทำฌานนั้นนั่นแหละให้เป็นบาทพิจารณาสังขารแล้วบรรลุอรหัตผลอันเป็นผลเลิศในป่าซึ่งหาบ้านมิได้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พระโยคาวจรผู้เจริญอานาปานสติสมาธินั้นจึงตรัสว่า อรัญญคโตวาอยู่ป่าก็ตามเป็นต้นกุศลจิตที่ประกอบกับอากาสานัญจายตนะฌานดวงหนึ่งกุศลจิตที่ประกอบกับวิญญาณัญจายตนะฌานดวงหนึ่งกุศลจิตที่ประกอบกับอากินจัญญายตนะฌานดวงหนึ่งกุศลจิตที่ประกอบกับเนวสัญญาณ า, า, า, า, าสัญญายตนะฌาน ดวงหนึ่งจิตห้าดวงนี้ชื่อว่าอารูปราวจรกุศลละจิต